จะภาวนาเริ่มตั้งใจให้สงบ <c oughs> ด้วยบทภาวนาเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นความคิดความปรุงมาฉุดมาลากให้ออกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ตื่นนอนไม่ยอมอ่อนข้อเลยถึงขณะภาวนามันยังไม่ยอมให้ภาวนา <c oughs> มันยังให้เพลในความคิดความปรุงตามโลกวัตจักรนั้นตลอดไป ทางนี้ก็สู้กันภาวนาจิตไม่สงบก็บีบบังคับเข้าด้วยควําบุรีกับไปสู่องจักให้มันเถาต่อไปทางนี้ก็รั้งเอาไว้ห้ามเอาไว้ด้วยพุโทโธเอาพุโทโธบังคับเข้าไปสติจดจ่อเข้าไปเห็นความทุกข์กันมากในตอนนี้สําหรับผู้บําเพ็ญภาวนา